ความใดที่เธอนั้นหมดแรงอ่อนลาในใจขอเธออย่าหวั่นไหวสีขาวจงลุกขึ้นมาเปลี่ยนเอาความทอใจให้กลับเป็นความกล้า สัพาขึ้นใหม่ในดวงใจเธอ yeah.